พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ 12, สิบสองสุตตันตปิฎกมาชิมานิกายมุลปันนาฏวัคที่สองชื่อสีหนาฏวัคคือวัคมีสีหนาฏสูตรเป็นหัวหน้ามีสิบสูตรพระสูตรที่สิบเอ็ดจุลสีหนาฏสูตรสูตรว่าด้วยการบรรเลือสีหนาฏสูตรเล็กคำว่าเล็กหรือน้อยคู่กับใหญ่ หมายความว่ามีสูตรซ้ากันสองสูตรก็ ต, รต้องใช้คาว่าน้อยสูตรหนึ่งใหญ่สูตรหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องหมายจำง่ายและเป็นเครื่องหมายยาวสั้นกว่ากันด้วยพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสมณะที่หนึ่งถึงที่สี่หมายถึงโสดาบันถึงอรหันต์มีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลทัทธิอื่น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 ถ้าเขาอ้างว่าในลัทธิของเขาก็มีเหมือนกันจะมีอะไรทำให้ต่างกันก็พึงถามว่าความสาเร็จสูงสุดของท่านมีอย่างเดียวหรือหลายอย่างถ้าจะตอบให้ชอบเขาก็ควรตอบว่ามีอย่างเดียวพึงถามต่อไปว่าความสาเร็จนั้ น, น, นสำหรับผู้มีราคะโทสะโมหะและกิเลส อ, อื่นอื่นอีก